เรื่องสังคังสารงคัจฉามิโดยนกขมินคุณนกขมินเป็นข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานราชการตามวาระและสถานที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามากคุณนกขมินหาความสงบมาเกือบครึ่งชีวิต พยายามสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอนให้คุณนกขมิ้นได้พบกับศัจธรรมของชีวิตคุณนกขมิ้นได้พบกับบุคคลต่างๆที่ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนด้วยปราศจากความเป็นของแท้จนได้มาพบกับหลวงตาองค์ผู้เป็นของแท้และปฏิบัติอยู่ในวัดป่าบ้านตาด ร, ระยะหนึ่งและได้ถ่ายทอดความรู้สึกให้ไว้ณที่นี้นี่คือเรื่องราวของนกขมิ้น พระเจ้าขอ น, นมรส ก, การองค์สมเด็จพระสัมมาสัสามพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวอาศัยบุญอันข้าพระเจ้าได้ทำมาแล้วในการก่อนข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานทุกภพทุกชาติจากนี้ไปขอเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาขอให้จำได้ว่าเกิดมาเพื่อสร้างทศบารมีและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตราบถึงนิพพานขออย่าหลงเชื่อหมู่มารอลัลชีขอมีพระอรหันต์เป็นครูอาจารย์ทุกภพทุกชาติไป หากได้เกิดเป็นหญิงขออย่ามีสามีหากได้เกิดเป็นชายขอให้ได้บรรพชาเป็นสามเณรและบวชเป็นพระภิกษุหากข้าพเจ้าเคยบำเพ็ญบารมีมาและได้ตั้งความปรารถนาประการใดอันนอกเหนือจากสาวกบารมีแล้วไซ้ข้าพเจ้าขอละความปรารถนานั้นๆณบัดนี้ด้วยเถิดขอคําสัจจะอธิษฐานของข้าพเจ้าจะรึลงในดวงจิตให้ลำลึกได้ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงนิพพานด้วยเถิ เมื่อต้นปีพศ2550ข้าพเจ้าอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยข้อความข้างต้นทุกหุนทุกแห่งที่ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมเยือนทั้งประเทศอินเดียและประเทศเนปาลโดยเฉพาะสังเวชนียสถานสี่แห่งคือ 1. ลุมพินีสถานที่ประสูตรของพระพุทธองค์ <Bruno>. 2. พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้สาสารนาศหรือ่าอิสิปัตนะมฤคทายวัน สถานที่ทรงแสดงธรรมมัจจ ก, กปวัตนสูตร 4. กุสิณาราสถานที่ดับขันธปรินิพานด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการมีครูอาจารย์ที่แท้จริงย้อนไปเมื่อปีพศ2537ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายธรรมะของสุภาพสตรีท่ทานหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างประเทศการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และมีคนแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังสุภาพสตรีท่านนี้เคยไปฝึกปฏิบัติ ธ, ธรรมที่ประเทศอินเดียและนำวิธีการฝึกสมาธิแบบหนึ่งมาเผยแพ่เขาเรียกเธอว่ามาสเตอร์หรืออาจารย์ข้าพเจ้าหลงเชื่อยอมเป็นลูกศิษย์เพียงเพราะคำโฆษณาที่ว่าชาติเดียวก็หลุดพ้นและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของเขาเป็นเวลาสองปีเงื่อนไขมีเพียงการถือศีลห้า และการรับประทานอาหารบังสวิรัตสามื้อต่อวันข้าพเจ้ายอมรับว่าการฝึกสมาธิตามแนวนี้มีความสุขมากเสมือนมีเสียงโมโหรีเหเกล่อมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมีใบหน้าอิ่มเอิบจิตใจเบิกบานติดสุขอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งลูกศิษย์หลายคนพบความจริงเกี่ยวกับอาจารย์ว่ารักษาสีห้าไม่ครบถ้วนประพฤตตนไม่เหมาะสมลุ่มหลงอยู่กับตัณหา ร่มหลงอยู่กับลูกศิษย์หนุ่มหล่อเหลาจนเสียจริตของผู้รักษาศีลห้าไม่เป็นดังคําโฆษณาบรรดาศิษย์ทั้งหลายในเมืองไทยจึงเลิกนับถือแยกย้ายกันไปแสวงหาอาจารย์ใหม่ด้วยความโกรธที่ไปหลงเชื่อหลงนับถือเป็นอาจารย์อยู่นานเมื่อข้าพเจ้ามาทบทวนก็เห็นว่าการสอนธรรมะตามแนวนี้ไม่ถูกต้องแน่ๆเพราะแม้แต่พระสงฆ์รักษาศีล227ข้อ เขาก็สอนว่าศีลท่านไม่สมบูรณ์เพราะยังฉันเนื้อสัตว์อยู่ช่างโงแ่แท้ๆเราปล่อยให้เขาหลอกอยู่ได้ทั้งสองปีจากนั้นจึงเสาะหาหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนามาศึกษาจนกระทั่งได้มีโอกาสอ่านหนังสือประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและสะดุดใจอยู่กับคำพูดที่ว่ามิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกต้องพิจารณาทุกจึงจะพ้นทุก ความคิดในตอนนั้นอยากจะตามหาลูกศิษย์ของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่เที่ยวสอบถามคนรู้จักว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่ยังเหลืออยู่มีใครบ้างก็ได้คําตอบว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีจากนั้นก็คิดอยู่เส ม, อ, เสมอว่าอยากไปวัดป่าบ้านตาจังแต่ก็ได้แค่คิดอยู่อย่างนั้นช่วงนั้นได้มีโอกาสไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานอีกแนวหนึ่ง เมื่อถามเพื่อนบำเพ็ญรุ่นพี่ว่าถ้าเราฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวนี้แล้วสุดท้ายเราจะไปถึงไหนก็ได้คำตอบว่าเราจะบรรลุถึงโสดาบันเมื่อถามต่อไปว่าอาจารย์ของเราละ่ะเขาตอบว่าอาจารย์ของเราท่านเป็นโสดาบันแล้วขณะนั้นมีปัญหาในการภาวนาก็ไม่รู้จะถามอาจารย์อย่างไรเพราะอาจารย์เป็นชาวต่างประเทศและอยู่ต่างประเทศนน ได้แต่คิดว่าอยากมีอาจารย์ที่เป็นคนไทยมีปัญหาจะได้ถามได้สุดท้ายก็ได้แต่คิดเฮออยากไปวัดป่าบ้านตาจังใจวาดมโนภาพถึงภาคอีสานเห็นแต่ความแห้งแลง้งแผ่นดินแตกระแหงไปทั่วขาดความชุ่มชื่นผืนป่าไม่มีแม้แต่น้อยมองไปทางไหนเห็นแต่ฝุ่นคลุ้งไปหมดมีแต่ความอดอยาก ภาพเหล่านี้ผุดขึ้นมาในความคิดเอเราจะไปได้อย่างไรไม่เคยรู้จักมีแต่คนบอกว่าหลวงตามาหาบัววัดป่าบ้านตาดเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเท่านั้นข้าพเจ้ามีคําถามที่ค้างอยู่ในส่วนลึกของความทรงจําต้องการคําตอบมาตั้งแต่ยังเด็กในวัยพอจําความได้เคยถามพี่เลี้ยงที่ดูแลข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเกิดมาแต่ไหนเขาตอบว่า แม่ของข้าพเจ้าเก็บมาจากกอภัยเมื่อโตขึ้นข้าพเจ้าก็มักถามตัวเองเสมอว่าข้าพเจ้าเกิดมาทาไมและยังไล่ถามผู้อื่นที่คุ้นเคยกันอีกด้วยมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งได้ผ่านการบวชมาแล้วในช่วงเข้าพรรษาข้าพเจ้าถามเขาว่าได้อะไรกลับมาบ้างเพื่อนตอบว่าได้ประสบการณ์และความรู้เยอะมากเมื่อถามต่อไปว่า นิพพานยังมีอยู่ไหมเขากลับตอบว่านิพพานไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าบริณิพานไปแล้วก็ไม่มีพระอรหันต์อีกเลยยุคเนี้ยไม่มีพระอรหันต์แล้วส่วนคําถามที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรก็กลับได้รับคําตอบว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมคําตอบแบบเนี้ยไม่เป็นที่ชอบใจเลยจึงตัดสินใจขอไม่ญาติดีกับเพื่อนคนนี้อีกแล้ว คิดอยู่ในใจว่าบวชมาแล้วน่าจะให้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ทำให้มีอารมณ์โกรธถึงกับคิดว่าเธอกับฉันต้องแยกกันไปคนละทางต่อมาข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามเงียบสงบสถานที่สับปายะเหมาะแก่การภาวนาแต่ปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่สามารถภาวนาได้เลยแม้ว่าจะฝึกการปฏิบัติมาหลักสูตรหนึ่งแล้ว เนื่องจากสัญญาเดิมนั้นมารบกวนข้าพเจ้าเสมอจึงต้องใช้วิธีหยุดฝึกไปใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานและพักผ่อนไปวันๆและแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2542ตอนค่ำข้าพเจ้าก็ได้พบหลวงตาท่านมาแสดงธรรมเทศนาณวัดป่าบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสรับพระป่าช่วยชาติหลวงตาเทศในวันนั้นจำความได้ว่า ให้มีหลักใจทานศีลภาวนาให้มีหลักการประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยอย่าเห็นแก่เงินทองลาบยศตำแหน่งมากกว่าจิตใจสติเป็นสิ่งสำคัญให้มันบำเพ็ญและบำรุงรักษาข้าพเจ้านึกเสียใจว่าที่ผ่านมาได้ละทิ้งการบำเพ็ญภาวนาไปเสียแล้ววันที่ยี่เอ็ดมิถุนายนสองห้าสี่สอง หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนท่านได้ให้ความกระจ่างถึงธรรมะแท้และความหมายของพระรัตนตรัยข้าพเจ้ามีความประทับใจมากที่หลวงตากล่าวถึงการบำเพ็ญแบบเอาชีวิตเข้าแลกบำเพ็ญในป่าในเขาสู้ไม่ถอยจนเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2493เวลาหทุ่มทราบว่าท่านได้บรรลุธรรม ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นดีใจและมีความหวังช่วงคำ่ำหลวงตาแสดงธรรมเทศนาณวัดป่าบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ฟังเทศอย่างตั้งใจหลวงตาได้เทศว่ากิเลสเปรียบเหมือนผักตบชวาที่ปกคลุมน้ำซึ่งเปรียบเหมือนธรรมะและแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับกิเลสอย่าฟุ่มเฟือยไปต่างประเทศอย่ากินมื้อแพงๆ อย่าขี้เกียจในที่สุดข้าพเจ้าตัดสินใจลาพักร้อนไปวัดป่าบ้านตาดระหว่างเดินทางโดยรถสกายแล็บเข้าวัดนั้นข้าพเจ้ามองไปรอบๆสองข้างทางเป็นนาข้าวเขียวขจีอากาศเย็นสดชื่นมีน้าค้างเกาะตามใบข้าวสัมผัสกลิ่นท้องนาที่ไม่ต่างจากภาคเหนือข้าพเจ้าเข้าใจผิดมาตลอดไม่คิดว่าบ้านเมืองทางภาคอีสานจะอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ อดบ่นไม่ได้ว่าน่าจะมาตั้งนานแล้วที่วัดป่าบ้านตาดข้าพเจ้าได้รับคำสอนและการแนะนำวิธีการภาวนาจากคุณแม่จันดีคุณแม่บอกว่าหลวงตาสอนว่าเมื่อถึงคราวเดินจงกรมท่านบอกว่าให้บริกรรมพุโทโธแต่ความที่ข้าพเจ้าไม่เคยเดินจงกรมตามแนวนี้มาก่อนจึงคิดหาอุบาย โดยนึกถึงตอนที่หลวงตาเดินจากศาลาไปตามทางเดินไปสู่กุฏิของท่านมองดูการเดินของท่านอยู่ด้านหลังและจดจําภาพนั้นไว้ใช้เวลาเดินจงกรมก็เดินเหมือนหลวงตานึกเอาว่าท่านกําลังเดินนําอยู่ข้างหน้าครั้นเดินจงกรมช่วงกลางคืนก็ไม่เกิดความกลัวแต่อย่างใดช่วงนั้นหลวงตาเดินตรวจตราภายในบริเวณวัดดูกระรอกกระแตทุกวันในช่วงบ่ายแก่แก ข้าพเจ้าได้ไปกราบหลวงตาที่กุติทุกครั้งข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมากๆในเวลาต่อมาข้าพเจ้าขอย้ายจากแม่ห้องสอนไปรับราชการที่จังหวัดอุดรธานีสุดท้ายจึงลาออกจากราชการโดยได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนและตั้งน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมความกล้าหาญที่ทาให้ละทิ้งซึ่งลาบยศสรรเสริญและความสุขทางโลก ในขณะที่ยังเหลือเวลารับราชการอีกสิบห้าปีนั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าได้พบครูอาจารย์ที่แท้จริงสอนมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานนี่เป็นเรื่องที่น่าปลื้มปีติมากตลอดชีวิตข้าพเจ้าพยายามสแสวงหาสิ่งหนึ่งซึ่งบอกไม่ได้ว่าคืออะไรบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าได้พบหลวงตาข้าพเจ้าก็พบคําตอบทุกข้อที่สงสัยแต่เพื่อความไม่ประมาท ข้าพเจ้าจึงได้กลั่นกรองคําอธิษฐานข้างต้นซึ่งมาจากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้พบกับหลวงตาครูอาจารย์แท้ผู้ทําให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงสังฆ์ังสรนังคตฉามิผู้ทําให้ข้าพเจ้ามีกําลังใจที่จะผลักดันตัวเองให้มุ่งหน้าในการภาวนาให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ต่อไปบทความโดยนกขมิน้นเสียงอ่านโดย 坐坐。